การรักษาโรคทางจิตข้าพเจ้าเคยเขียนอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดลงในหนังสือวิญญาณปีก่อนๆเป็นตอนๆและได้รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มไว้ในหนังสือชื่อว่าปาฏิหารมีได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ดีการอธิบายทั้งหมดนั้น เป็นการอธิบายจากทฤษฎีของศาสนามากกว่าที่จะอธิบายด้วยวิธีพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นการนำทางให้วิทยาศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลออกมาจากหนังสือพิมพ์น e ว York Times นี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการรักษาโรคทางจิตนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และแสดงให้เห็นอีกว่า ก้าวใหม่ของวงการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้วิธีทางจิตแล้วเรื่องจะเป็นอย่างไรลองศึกษาดูดังต่อไปนี้วงการแพทย์ของอเมริกาในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการรักษาโรคแล้ว โดยแพทย์ผู้มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งกำลังทำการทดลองวิธีการรักษาโรคโดยให้คนไข้รักษาตนเองด้วยกำลังใจอย่างเดียวผลที่ปรากฏแม้จะยังไม่เป็นที่รับรองกันเป็นทางการทั่วโลกแต่ก็มีแนวโน้มไปในทางแสดงหลักความจริงที่ว่าบุคคลที่ฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิได้ในทางศาสนานั้นสามารถรักษาโรคให้แก่ตนเองด้วยอำนาจจิตได้เป็นอย่างดี ในบรรดาโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยอำนาจจิตหรือสมาธินั้นก็มีโรคความดันโลหิตไม่ว่าจะสูงหรือต่ำก็ได้การเต้นของหัวใจและการหดตัวของอวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ในระยะแรก ในการทดลองเรื่องอำนาจของสุขภาพจิตในระยะแรกๆที่เกี่ยวกับสัตว์นั้นห้องทดลองวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในกรุงนิวยอร์กใช้หนูสองตัวโดยให้ได้รับการช็อกจากไฟฟ้าซึ่งจะทำให้มันสะดุ้งเป็นพักๆการช็อกดังกล่าวนี้เขาให้หนูทั้งสองตัวได้รับพร้อมๆกันทุกครั้งและในอัตราความแรงของไฟฟ้าเท่ากันทุกครั้งแต่ผลที่ได้รับปรากฏว่าไม่เท่ากัน ในเมื่อสภาวะทางจิตของหนูทั้งสองตัวนั้นไม่เหมือนกันคือหนูตัวหนึ่งนั้นเขาหาทางฝึกหัดจนกระทั่งให้มันรู้ได้ว่าเมื่อใดจึงจะเกิดการช็อกขึ้นโดยมีไฟสัญญาณปรากฏขึ้นให้รู้ล่วงหน้าทุกครั้งส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยผลที่ได้รับอย่างน่าแปลกประหลาดก็คือ หนูตัวที่รู้ว่าการช็อกด้วยไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นเกือบจะไม่มีอาการผิดปกติทางร่างกายเกิดขึ้นเลยส่วนหนูตัวที่ไม่สามารถทราบหรือกะเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นั้นกลับเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารอย่างร้ายแรงทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้ทดลองคือดรเจวส์แห่งสถาบัน r o c k ก f ้เ l e r ได้กล่าวว่า เป็นผลของความวิตกกังวล น, นั่นเองคือหนูตัวที่รู้ว่าการช็อกจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจพร้อมอยู่เสมอแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยนั้นต้องได้รับความวิตกกังวลทางใจอยู่ตลอดเวลาความทรมานทางจิตอันเกิดจากความวิตกกังวลเพราะไม่มีทางรู้แน่นอนนี่เองทาให้เกิดผลแก่ร่างกายซึ่งแสดงรูปออกมาเป็นโรคต่าง เช่นแผลในกระเพาะอาหารเป็นต้นยิ่งกว่านั้นถ้าได้ฝึกหัดต่อไปให้หนูสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช็อกได้โดยหัดให้มันเอาเท้าเขียววงล้อที่อยู่ในกรงเป็นประจำด้วยแล้วมันจะไม่มีอาการวิตกกังวลในทางใจและก็จะไม่มีอาการของโรคทางร่างกายเลย การทดลองดังกล่าวนี้จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ทดลองได้รับความรู้ว่าอาการช็อกที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวต้นเหตุของอาการโรคแผลในกระเพาะอาหารเลยต้นเหตุที่แท้จริงก็คือความวิตกกังวลและไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนได้นั่นเองดออรไวส์ผู้ทำการทดลองดังกล่าวนี้ได้กล่าวว่า ในชั้นแรกข้าพเจ้าก็แทบไม่เชื่อผลของการทดลองนี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้จริงๆ